ท่านผู้ใดจะไปในงานวันเกิดของหลวงปู่ลีก็ได้นะหลวงปู่ลีท่านเกิดวันเดือน1สิบเพนภู ผ, ผาแดงถ้าว่าผู้ใดจะไปในงานวันเกิดของท่านก็ไปได้วันสิบห้าค่ำเดือน10บนะก็จะมีงานใหญ่พอสมควรอยู่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 ในงานถ้ า, าว่าไม่จำเป็นก็ได้เลือกงานเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานจะไปที่ไหนตลอนตลอดไปโดยที่ไม่ได้ดูสังขารของตัวเองลูกหลานเห็นก็คงจะทุเลกโอยหลวงพ่ออินเอ้ยอายุขนาดนี้ยังไปที่ไหนอีก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 มีความคิดเห็นอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อก็ได้นำทมคําสอนน่ะที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเห็นว่าถูกต้องที่ว่าเป็นธรรมแล้วก็บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เป็นสินเนออันนี้เป็นธรรมเนออันนี้เป็นกิเลสเนออันนี้เป็นทางหนทางแห่งความชิบหายเนอ อันนี้เป็ น, นขนทางแห่งความเจริญหลวงพ่อจะบอกแนะนำลูกหลานทุกคนแต่ว่าลูกหลานจะนำไปประพฤติปฏิบัติมากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้คลายๆก็ะวังไม่ได้ผูกมัดก็อย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราตถาคต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 เราไป gh, ทำผิดสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขามาทำผิดสามีภรรยาลูกหลานของเราเราโกหกเขาเขาโกหกเรา ita, เราไปดื่มสุราเข้าไปแล้วเอารถมาเฉียวมาชนมาด่าเรามาทำร้ายทำลายเราเพราะเขาขาดสติในเมื่อเราดื่มสุราแล้วก็ไปทำร้ายทำลายเขาเพราะเราขาดสติสรุปแล้ว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 คนในบ้านของเรานะ่คนในวัดของเราเนะี่ยไม่องใดก็องหนึ่งถ้าไม่ออกจากกันไม่หนีจากกันแล้วต้องตายถ้าเราไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องตายจากเราโลกอนนี้มันเป็นยุงอยู่อย่างนี้นะโลกพัดพรากโลกอนิจจังต้องทำใจไปนะใจฮสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอนะโลกอนิจจังโลกเกิดแก่เจ็บตาย